านาวเยพบานาก็บานหนาวอยู่ออนางวันไหนมิ่ตนมาเฝ้าวินงอยู่วันไหนก็ได้พรารนาเป็นภูมาทีดีแล้วยงขังบินวัได้ยินอ เป็นเปลืองกังว้นนะเสียงเครื่องบินนะกั <c oughs> งวนจนะิตนิ่งจิต <c oughs> นิ่งว่าอเยมัน่าับูนะก็อยู่่านดก็สบายก็เสียงก็สบายรูปก็สบายกินก็สบายรูปเสียงกินรส เราเนี quickly, happen, ่ยโยมก็ถามธรรมะเมื่อไงไดมันก็ทัานไปหมดเมื่อไงไดมันก็เบาไปหมดนั่นเบาก็ทัศน์ไปแต่ว่มีแนวอย่งในตัวเราเหม่มีอย่งเช่แนวแต่เราไปยึดตรงน้นตรงนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะยึดเพราะความความทุกข์เพราะความยึดไม่ยึดไม่ทุกข์ ให้ปล่อยให้ว่างเดเราเอา <c oughs> อกการภาวนาเข้ามาเรามันว่างไปหมดอ่ะถ้ามันว่างแล้ว <c oughs> ลูกควรเป็นจริงของโลกโลกก็ไปทูลลูกแก้งโลกมันเป็นอยู่ของโลกมันเป็นยังไงมันวุ่นวายมันวุ่นวายมันวุ่นวายน่น <c oughs> เรามาเรามาอยู่เดียเด่ยวๆอย่างเนี้เห็นไหมล่ะ สบายหาที่ไหนได้ถ้าคิดให้ละเอียดนะหาที่ไหนได้ที่จะพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำรักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมนเทนปฏิบัติให้ใจสะอาดแล้วไม่ต้องมาเกิดแจกเก็บตายอีกใจของคนสปกปรกเพราะความเกิดเป็นทุกข์ความแจกเป็นทุกข์ความเจ็บ เ, เ, เ, เ, เป็นตาย บริวารต่อไปอีกก็เยอะเกเกินแล้วเลยมั่วไปหมดเต็มไปหมดอยู่ไปงงจได้ใจอย่างเดียวนะบัดใจเพม่นก็ไปห่วงแต่กายตัวเห็นว่าทางโลกพระใหม่บอกว่าพูดภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เห็นพระใหม่ว่าจะอยู่ไม่ได้เก่งเลยอดรนทนได้หลวงพ่อชมแม่คงจะดีใจแล้ว ยังยิ่งได้เดินอิทบาทอีกด้วยนะเก็บเท้าเก็บตียงคอยว่าไม่เคยถอดรองเท้าตั้งแต่เกิดมาอยใ น, ะนเมืองในกรุงไม่เคยถอดรองเท้าตั้งแต่เกิดมาสวมใหม้ตั้งแต่วันเกิดมาแลยนะไม่ไมาถอดหรอกนี่แหละธรรมชาติธรรมชาติเอเ ป, ปริรด แขกแขก็จะดีใจเลยแขกก็ใส่บาตดีอยู่ <c oughs> ไม่ตายหลวงปอยหลายวันพักเก็ตหลายวันก็ไม่ตายดยโ <c oughs> ปรดไม่ใช่ว่าจะเท็เก่งในการโปรดเผยแผ่วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าอ่ น, นเห็นไหมเรา <c oughs> ทายสุทธตนะให้บริษัทบริวารไปตาม ราตนานนมนพระพุทธเจ้ากลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องมาโปรดที่บ้านที่ช่องที่เมือง <c oughs> ไปเข้าไหนก็ไม่มีใครกลับมาไปที่ไหนก็ไม่มีกลับมาผลสุดท้ายผู้ใกล้คิดผู้โลหิตใกล้คิดบอกว่าต้องให้ได้มาให้ได้กลับมาถึงไม่ได้มาก็ให้กลับมาเพราะฉะนั้นไม่ยอมเลย <c oughs> อันณนะก็ขอไปด้วย <c oughs> ไปก็เลยไปไม่เห็นมาเพราะอะไรเพราะไปแล้วก็ได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นสีด้วยนะไปเห็นทท่แรกดูอะไรแตกต่างไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเย่ยรัศมีทุกสิ่งทุกอย่างสับพันนลังสีดูตรงไหนก็เป็นแสงสว่างไปหมดเลยก็มีแต่ขอออกปฏิบัติธรรมเห็นไหมล่ะ <c oughs> หาที่ไหนทุกยากลำบากตัดตำทนทุกปรมาน <c oughs> บางแห่งพวกเศรษฐีกระดุมพวกที่ทารัดซีพวกไม่เชื่อใสพระพุทธศาสนาทังตัดหนาไปตันทางที่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตจะว่าอย่างไงละ่ะคือลบกับเจ้ามารมากไหมเมืองที่ไม่มีเครื่อมใสไมีตังเกียรต กพระพุทธศ า, าสานามีถึงกับทุกวันก็หมดไปแล้วกักศาสนาของกุนเจ้าจังเหลืออยู่นิดหน่อยทำมศาสนาอื่นมาปกปิดกำบังเอาไว้แล้วไม่มีผู้เสืบทอดมีกับพระไทยไปสูตรไปเรียนไปอะไรทุ้นั้นมีคนเลื่อมใสก็ยังมีไปพยามุงเขียน้ําบอกชาวบ้านก็ห่มดาห่มตีห่มดาห่มตีมตว่า ไปเอาออกทำไมไม่อยากให้เข้ามาพวกนี้เห็นแก่ตัวไม่ทำมาหาเรื่องขีบพ่อจะไปขอเขากิน <c oughs> ตีต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อย่ไปทำเขาเลยอย่าไปทำไรเขาเลยฟังคําของพระเจ้านีดเตียหน่อยก็จะขอบวชให้เห็นต่อหน้าสอตาเลยเอาบ้านุก <c oughs> พอใจล่นะโดยเฉพาะบุญกุศลวัฒนาบารมีของุูธเจ้าบวชให้อุปสมบทให้ผู้คุณบทลูกหลานผู้มีความประสงค์ที่อยากมีกิตสัทานเราบวชสองขำคำแค่นั้นท่านจงเป็นพระภิกษุมาเถิดแท น, นของเครื่องไตเครื่องบริวารบริขารอะไรมาครบนะ <c oughs> หาจินหาทร ท, ทุกยากลำบากตั้งหกปีได้สินได้ทำมาสอนคนที่จะเห็นไหมคนบ้านเราเมืองเราโดยเฉพาะมาเมืองไทยนับถือพุทธศาสนาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตในประเทศไทยแต่พระพุทธศาสนามีแต่เอาตู้วพระไตพิดอกไปถวายวั ด, ดเราไปเรากับพระเขาไม่ได้ดู มแต่วพวกไปท่องเอาได้สูตรได้เรียนจำได้แล้วก็ไปสอบทำตีทำโถ่ทำเอกอะไรไปรเรียนโน่นไปรเรียนนี่ก็ว่าไปอย่างนี้เตือนให้โดยเฉ พ, พาะภาคภาคป่าได้เรียนจากครูบาอาจารย์มาแล้วเกสราโรมานะคะ้คขาดันตาตาโจรัรนตานาคาโรมาเจสามิจนากระไปกลับมานั่นเอาจุดนี้ไปเรียนให้จบตรงนี้แต่ก่อ น, นะถ้าเรียนจบตรงนี้ก็อยู่ได้เบื่อนายแล้ว เห็นตามความเป็นจริงให้อภิจรณากรรมฐานทั้งห้าอย่างให้เห็นเป็นไปตามความจริงความจริงคือเป็นของสกปรกอย่างเราสวดกันแหละเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเนี่ยอาการ 3.2 เป็นสรุปสุดท้ายจ้ำนะตอกย้ำเพื่อให้ใจของเราเข้าใจการสวดไม่ใช่สวดไปตามสัญญาความจำสวดเข้ามาที่ใจของเราที่กายของเรา ผมขนเล็บฟันหนังอาหารใหม่อาหารเกา่าน้ำโมดน้ำคูดน้ำอะไรว่าไปกันส่งใจก็ไปดูในกายของเราสุดท้ายเกิดเจ้ามันกะ็ไปอีกกายของเรามีอย่างนี้นี่อย่างนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนะมันสะอาดตรงไหนล่ะหามาเท่าไหร่ก็มาบํารุงให้มันสะอาดให้มันสวยให้มันงามให้มันหอมอย่างน่นอย่างนี้เห็น ประชุมกันวุ่นวายด่ากันอยู่เลยผ่านมาด้วยกันตกเถียงแล้วมันก็ต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยนั่นแหละไม่บริหารวานเมืองหรอกจับผิดจับถูกจับนู่นจับนี่ไปเพราะมาไม่เป็นธรรมนั่นก็ได้มันก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วเห็นไหมเมืองพุทธเป็นยังไงเมืองพุทธมีแต่ทะเลาะกันมีความร่มเจ็นเปไหนตรงไหน 95% สบห้าปอร์นาละอายโลกไหมล่ะถ้าจุในยึดถือจะในข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าโอ้ยเป็นประเทศเทศวดาดิหาที่ไหนสู้ประเทศไทยไหมที่ท่องเที่ยวที่อะไรมีหมดก็น้าพุชนะอาหารไปตรงไหนเต็มไปหมดะ่ะเอ า, เอาข้าอาการศล้วก็ไปหมดแต่เสียอย่างเดียวที่ไม่มีคุณสินทำอยู่ในกายว่าจาใจ ให้แต่ละคนแต่ละครอบครัวตำรวจตัวตาตนเองำ ต, ต, ตองำรวจตัวตาตนเองมันก็มีความสุขเป็นประเทศธรวดาทำไมไม่รักษาจุดนี้เก่งคัดหาตะ <c oughs> กิเลศทั่วหัวเอาตัวเปนดอดไขมือให่สาวได้สาวเอาว่าไปแล้ววมดไ่ได้มีอำนาจอะไราหาวิธีเอามบประมาณนี่อย่าง <c oughs> หาว่า กินเครื่งหนึ่งกินเครื่องหนึ่งก็ <c oughs> ไม่เจริญดท่ากุว้วุ่นวายกันไม่มีความสุขไม่ผลอกต้นใจภาคปฏิบัติเข้าไปนันม่นานแล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วอายุหมดไปแล้วหมดไปแล้วเั็นเวลาหมดไปหมดไปจะไปห่วงทําไมห่วงเราห่วงในใจบริสุทธิ์ผูดปอกอดีแล้วออกจนยโจงก็ไป จักใสข้างนอกครับละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็พอแล้วพระสงฆ์ไปเป็นตบะา ท, ทา้งนอกพอแล้วได้อา น, นิสงส์มากกว่าอยู่ที่ในวัดหนึ่งให้พระสงฆ์ได้มีกิ จ, จวัตรข้อวัดสองเผยแผ่พุทธศาสนาเอาแนวทางของพระเจ้าไปเผยแผ่ไม่ก่อน <c oughs> พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ปัตติียยังถามหลวงปู่เลย ได้บินธบาติก็ไปได้บินธบาติอันใดเ่ยวของกับการนั่งสมาธิหรือเปล่าหลงปูเกี่ยวข้องนั่น <c oughs> มันใจไม่นิ่งหุนใจไม่สงบมันไปไปตามหน้าที่ของผู้เจ้าบินที่จะรัวประพอจะนั่งบวชเข้ามาแล้วตจงบินยนะัวคีโวอุตสาหโอยัวคีวังอุตสาหโกัลนิโยนั่นจงบินธบาติเรื่องชีพด้วยกําลังปีแข่งของตนเองเถิด เวลาปุโรหิตไปพราชนะนีมนพระพุทธเจ้ากลับมาพระพุทธเจ้าก็ใม่เข้าบ้านเป็นตา บ, บาดเสียก่อนอราชาบิดาก็มาเห็นอยู่ไหนอยู่ไดโอ้จึงตามไปดูที่เพ็นพระพุทธเจ้าไปขอทานตามคำน่ยมของเศรษฐีหรือกษัตริย์ก็บ้าพระพุทธเจ้าไปเตื้อมในที่บ้านจะท่องอะไรอะไรเยอะแยะทาไมถึงบ่นว่าลูกชายทาไมทาอย่างนี้เรามีส <laughs> ิ ทำตามขนบธรรมเนียกประเพณีของพระ เ, เจ้าองค์ก่อนๆพาทรมามัาจะมีคลายไปหมดแล้วทิบถีมาฑเจะ้าฟ่าพระมหากษตร์อะไรก็ทิ้งไปหมดแล้วนล <c oughs> ่อยวา่างไปหมด <c oughs> <c oughs> นี่มาโดยพชคอยู่จังนี้แลไรเหมือนกันเหร็นไหมหลักกติปท า, ข, าข้าวข้าวหลวงปู่ชา แต่บาทหนึ่งเดือนได้อัปเปิลลูกเดียวโดยเฉพาะประเทศไม่มีชาวพุทธอยู่ด้วยจะเป็นยังไงะสมัยก่อนยังไม่มีพระสงฆ์เข้ามาแนละ้วเห็นไหมโดยเดืยนก็จะค่อยยังช่วยแล้นี่เห็นไมเคยมีถ้าเราทำบ่อยๆอยู่เท่าไรปีมันก็ไม่ใช่วันหนึ่งสองวันก็อยู่ไปก็ไปไปอย่างนั้นไปม า, ามก่อนเอพวกนี้ไมเห็นเดินทุกวัน ก็ต้องตื่นอยู่บ้างแหละไม่น้อยก็มากเดวเจ้าพวกเราชถวที่รู้จักแล้วก็ไปใส่เพื่อเป็นช่วยพระถงเผยแผ่เหมือนกันนะนั่งอยู่ที่นี่ได้ได้ก็ได้หมดแต่เขาขนมาให้ไม่เยอะถึงประเทศไทยก็ยังบน่นเหมือนนี่ก็ว่าอย่างนี้ก็มีนะไปบินทำไมบินแล้วเขาก็มาส่งเหมือนเดิมอ่ะ ถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าก้าวตู่พระพุทธเจ้านะฮนะจรวดทางเวท้าไปพูดอย่างนั้นพระพเจ้าสอนอย่างหนึ่งจะทำไปอย่าง น, นไม่ขัดต่อการทำสมาธิไม่ไปไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในอย่างดีนะบอกเราย่างไดติดบินที่นี่บางแห่งโอ้อยามานั่งสันเลยเศ้าใส่หอดบาทก็มีตัว มันอไม่ได้กาเลกือ <g> บ <ül> สิหมดเอาบอกใช้หนังบาทนะเป็นนั่งโต๊ ะ, ตตะแล้วตัวแบบตั้งไว้โต๊ะแค่นาบางแห่งก็พอ ท, ทับเช่นทำจบโต๊ะไปเช่น <c oughs> มันได้หมดนะแต่มันไม่ไปตามหน้าที่มันไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมพุทธเจ้าสอนอย่าหงหนึงนะ่งทาไปอย่างหนึ่ง โอ้อนนั้นจังหนุ่มยางแน่นอยู่ไปอยู่อินโดนีเซียไปแล้วไม่บินทวาดเพรสันได้ปีนียไปพระอินโดนีเซียก็ไปจำภาษากับหลวงปู่ใหญ่สายภาษาเราเป็นกฐิมวันไปเยี่ยมอินโดนีเซียมันไปเยี่ยมก็อยากให้จำํำภาษาพอเข้าภาษาแล้วพันเข้าภาษาก็บอกว่าขอบินทบาท เดี๋ยวพราะเจ้าของวัดก็ไม่อยากจะให้บินเพราะกลัวญาติโยมเอาเอาเอาเนื้อเอาอะไรใส่บาทในพระกลัวพระจะไปติดรถวัดนั้นเป็นวัดฉันเจนี่จะต้มเต็มเป็ะสบายเดี๋ยวคนเรี้ยงจะเป็นธบาตโอ้ยเต็มแบบนี้กันไปบ้านเราไทยตะวันตกตะแรก ให้เชาผูจุจ ป, ปนได้เขาก่อนนี่ม้วนไปไป้วก็ น, นักกันมาเน่สองคน3คนเต็มบาทเล็กน้อยเรีย น, นลังไหลไปเบิงโอ้ไปมาเขาก่ได้บินตะบาทจับอย่างนี้นตลอดพรรษาเลยถ้าไม่บินก็ไม่ฉันไปบอกเัินพ <c oughs> แม่ครูบาอ า, าจารย์จําแล้วจับอีกไปเมืองนอกเมืองน้าจะไปเสียนะเห็นไหมล่ะ แล้วก็ต้องรักษาไ ว, ว้พระวุณเจ้ากลับมาเป็นยังไงล่ะนั่นเห็นไหมละ่ะมาปวดปวดญาติปวดโ ย, ยมปวดอะไรกันเขาก็ยังใส่อยู่นั่นในอา น, นิสงส์พวกเราไปใส่ข้าง น, นอกก็นนได้อานิสงส์ได้พระสงฆ์ทุดลงวัดแล้วก็ไม่ขาดในขาดปินฑบาตแม่เก็บแพ้ยได้ปวด่วยพราะแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในวัดนึงเก็บไพทย์ได้ปวด่วยก็ยังเดินใส่ปินตบาตอยู่นั่นแหะ บินในวัดก็ยังดีผมไม่ได้ดินเ <c oughs> ป็ลูกก็ตอพระอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ให้บินภายในวัดจะไปนั่งฉันเลยะ <c oughs> อย่างน้อยนะมีโอกาสดีจ่จะเลาพวกเราไปไปเรื่อยไปเรื่อยไม่คานึงถึงไปเอาของหรอส่วนญาติโยมมีความประสงค์กับมาวัดมาอะไรก็ไป เจอข้างทางใส่บาทนี้ก็เป็นแนวทาง <c oughs> ให้คนอื่นเขาได้เห็นบ้าง <c oughs> นี่ลูกเก๋ยขอ ง, <c oughs> มงขอมมลเขามาใส่บาทก็แฟนด <c oughs> ีสายนี่มันบ้านยาวสายทางนี้บ้านยาวเปสุดท้ายพอดีก็บ้านแขกญาติโยมพวกเราก็ ไป จ, จ, จากถุงข้อเขาบางซื้อบ้างนิดๆแต่น่อยก็ต้ออ ง, งนนนกนมนมเนยอะไรก็นั่เวลาเขาเคยกินเดาเแล้วเป็นลูกขเขามังเหมือนกันว่าไม่ใช่พ่อใช่แม่ก็ใส่ยอยู่วิธีกรรมในทางพัฒนามันดีกว่าอยู่บ้านเราแล้วก็พยายามเล่งเพื่อไว้ แวันเราโน่นนี่นี่เงงานโน่นงานนี่งานวัดโน่นงานนี่หัวพวกไปโน่นไปนี่ยิ่งหาแห่งก็ยิ่งไม่งานโน่นงานนี่มันก็เป็นกังวลอันหนึ่งการไปกันมาแต่นั้นเร่งยังไม่มีฟ้ามีฝนยังไม่หนาวอะไรมากนักก็เร่งทําสมาธิหมดภาระตรระกบชันแล้วก็เข้าที่เข้าที่เข้าที่ไปเลย ให่ต้องไปปุงแต่เหรือต้องมาเรื่องอื่นได้นาคุณกุศลนครบถวนระดมบุบันดาลที่พี่น้องได้เจะิละมาทำทานนักษาธินเจริญเมตตาภาวนาตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอ็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณประสงค์ได้สิ่งศิลในสากลรกนี้ก็จะมารวมกันทรงคุบ้องคุปักรักษณะระดมบุบานดาลจิตพี่น้องจมีแต่คมสุขคนเจริญทุกกายทุกใจหาจากทุกสุขโรกภัย งานจึงไดการเงินจึงไดปัฒนาที่งหนึ่งอันใดก็จงกันเ ด, ด็จงสาเดชสมดังความปัฒนาจงทุกสิ่งทุกประการเถิด <c oughs> <c oughs>